พระอาจารย์ครับอย่างนั้นผมขอมีมีคนเริ่มถามแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวก่อนครับอาจารย์ครับ <S <S <S คื อ, <S <S ค, อคืออยากจะกลับปเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเดี๋ยวนี้ฟัง่งครูบาอาจารย์สอนก็จะมีกรรมฐานหลายอย่างครับบางคนก็บอกพุทโธบางคนก็ยุบหนอพองหนอบางคนก็พุทโธรัวๆตามลมหายใจอะไรย่างงี้ใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้อยากจะทราบว่ารสมัยก่อนที่สมัยพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยครับพระพุทธองค์เนี่ยใช้กรรมฐานแบบไหนครับพระอาจารย์ครับ ก็ที่แสดงไว้ในสติปัฏฐานสี่ก็ใช้อนาปานสติเวลานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแล้วก็เวลาเจริญสติก็สติก็ให้ใช้อยู่เฝ้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายในวิริยบททั้งสี่อันนี้มีแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูงแต่ก็มี ที่แสดงบอกว่ามีกรรมฐาน40ชนิดที่สามารถที่ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เป็นอารมณ์ให้ใจเข้าสู่ความสงบได้แบง่งลองไปเปิดดูกรรมฐาน40ลองเสร็จดูใน Google ก็ได้เราจะมีแบง่งเป็นหมวดหมวดหมวดอ น, นุสติก็มีสิบเช่นพุทธา น, นุสติในเราถึงพระพระพุทธคุณที่เราสวดธรรมวัดเย็ยนวัดเช้านี่ก็ เป็นกรรมฐานเหมือนกันเวเราสวดพุทธานุสติอันนี้ก็เป็นการเจริญกรรมฐานโดยการใช้พุทธพระ พ, พุทธคุณหรือใช้พุทโธเนี่ยพุทโธก็เป็นพุทธานุสติถ้าเราสวดสวากขาโตรพระธตาธโมมันก็เป็นการเจริญธรรมานุสตินี่ก็เป็นกรรมฐานนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอานาปนาสติมียงแคพูดถึง คือดูลมหายใจเข้าออมรณานุสติให้เรานึกถึงความตายอันนี้ก็เป็นกรรมฐานที่สามารถที่จะใช้ทำจิตใจให้สงบได้แล้วมันก็มีอยู่สี่สิบชนิดซึ่งเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนยายาที่เราใช้ในการรักษาความไม่ปกติของร่างกายกรรมฐานนี่ก็เป็นเหมือนยารักษาความไม่ปกติของใจเวลาใจฟุ้งซ่านใจไม่สงบ เราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกกับอาการของใจเช่นสอนให้เรามีเมตตาภาวนาะเมตตาก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาเรามีความโกรธใครนี่ก็ให้อขอพระอาจารย์หลุดไปขอพระอาจารย์หลุดไปพระอาจารย์ครับโอเคพระอาจารย์ติดต่อมาแนละ้วพระอาจารย์ครับ อ่าซึ่งหยาดเข้ามาแล้วล่ะครับอาจารย์ในนี้ไม่อ๋อผมเห็นแล้วครับอาจารย์พอาจารย์ครับโอเคอ๋อมันไปอยู่บรรทันล่างโอเคขออภัยครับอาจารย์ครับผมความโทรศัพท์นะครับโอเคอาจารย์อนนขออภยัยมันก็เรื่องไปนะอ น, นิจจามะนะครับผม <laughs> ตัดต่อชัดเจนเลยครับอาจารย์ครับ โอเคครับผมอาจารย์เมื่อกี้ค้างถึงตรงอนุสติแล้วครับฟิกที่ภาพหลุดไปตอนนี้ได้ยินหร้อป่ได้ยินครับผมเราภ า, า, าพเราคนเรามีปัญหาแล้วนอันนี้ของของเก่าโอแต่อาจารย์พูดได้ยินนะครับผมใช่แ่ ที่เราที่หน้าจอเราเราไม่ได้ยินตัวเราเองเพราะว่ามันมันเป็นของเก่าที่เราเข้ามาครั้งแรกแล้วมันหลุดแล้วเราเป็นโลกของใหม่อหอถอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับเข้าไปใหม่อีกทีแบนผมผมครับผมพระอาจารย์ให้ผมออกใหม่เราเข้าไปใหม่เดี๋ยวเราออกใหม่ๆนะได้ครับเข้าไปหมครับผมดีเป็นการฝึกธรรมะไปในตัวนะครับเจอปัญหาก็แก้ไป เดี๋ยวเพื่อนๆรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าพระอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวดูภาพก่อนโอเคพระอาจารย์ครับโอเคเมื่อเปิดเงนกรรมฐานสี่สิบที่แบ่งกรรมฐ า, านนี่ก็บอกเปรียบเทียบเป็นเหมือนยาซึ่งบางทีเราอาจจะต้องใช้ ว, วิธีตักกรรมฐานต่างกันเช่นเวลาเราจะภาวนาแล้วจิตเราไปโกรธใครขึ้นมาเนี่ยท่านก็บอกให้ใช้เมตตาครับผมให้อภัยบุคคลที่เราโกรธ ว่าแผ่เมตตาให้กับเขาว่าเราก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ด้วยกนันก็อาจจะมีการผิดพลาดได้โกรธแล้วทําให้ใจเราไม่สงบถ้าให้อภัยแล้วใจเราก็จะสงบในก็ให้ใช้เมตตาแล้วถ้าเกิดเวลาจะนั่งสมาธิแล้วยังเกิดการอารมณ์ขึ้นมาคิดถึงคนสวยๆงามๆจิตไม่ยอมอยู่กับพุโทโธไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออก ให้ก็บอกให้ใช้อสุภากรรมาฐานให้ดูส่วนความไม่สวยงามของร่างกายเช่นพิจารณาการส2สิบสองก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็เข้าไปข้างใ น, นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าอวัยวะใจตับท้งผืนใต้ปอดพอเห็นนาการเหล่านี้การมารมณก็จะดับลงใจก็จะสงบก็สามารถกลับมานั่งดูเราหายใจตามปกติได้ต่อไป น, นี่คือกับฐานชนิดต่างๆที่ใช้กันในการปฏิบัติแต่โดยหลักแล้วก็เวลานั่งสมาธิถ้าใจไม่มีปัญหาอะไรก็ให้ใช้นมหายใจเขา้าออกหรือพุท ธ, ธานุสติหลงท่านก็ชอบพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหลงท่านชอบดูลมหายใจเขา้าก็ดูลมหายใจเข้าออกไปแต่ถ้าเกิดมีปัญหาทางด้านจิตใจเกิดความโกรธหรือเกิดการอารมณ์ขึ้นมา อะไรทำนองนี้ก็ต้องใช้กรรมฐ า, านมาระงับอารมณ์เหล่านี้ก่อนแล้วก็กลับมาที่พุทโธหรืออนาปนสติเลยครับผมอาจารย์ครับแล้วโดยประสบการณ์พระอาจารย์นะครับที่ตอนพระอาจารย์ภาวนาตอนตอนตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะครับแล้วพระอาจารย์ผมเคยอ่านประวัติพระอาจารย์บอกพบความสงบตอนนั้นพระอาจารย์ใช้กรรมฐ า, านแบบไหนนะครับผมกอโดยเวลาที่ไม่ได้ก่อนที่จะมานั่งก็ให้ดูร่างกายค่อย ควบคุมใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงหน้าราวต่างๆให้อยู่ในปัจจุบันบอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายพอเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าใจอยู่กับลมใจมันก็เข้าสู่ความสงบได้ใบางมันก็เข้าได้ที่ระนิเที ย, นทยนหน่อยมันไม่ได้เข้าแบบเต็มที่เต็มน้อย แต่ทําไปไเรื่อยๆมันก็สติมีกําลังมากขึ้นมันก็เข้าไปได้มากขึ้นอยู่ได้นานขึ้นครับพระอาจารย์ไม่ได้ใช้คำบริกรรมเลยใช่ไหมครับผมไม่ได้ใช้เลยยกเว้นเวลาที่มีครั้งหนึงเวลานั่งเราเกิดอาการเจ็บปวดทางร่างกายก็เลยใช้คําบริกรรมขึ้นมาแต่ตอนนี้นเราไม่รู้จักพุโทโธเรารู้จักอนิจจังเราก็ใช้คําำอนิจจังแ่นอ๋ออนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เทียง ถ้าทำอันนี้จงอันอนี้จำไปสักพักหนึ่งความเจ็บปวดความเครียดกับความเจ็บปวดก็หายจิตก็กลับมาสงบแล้วก็ความเจ็บปวดก็หายไปด้วยก็นั่งต่อได้อ๋อครับอาจารย์ใช้คำไทยหรือคำบาลีครับอันิจนีจังอันิี้จำด้วยไหมจำอันนี้จำนะครับจําไม่ได้แล้วมันชอบใช้ไม่ไม่บ่อยคำนี้ใช้ประเด็นกรณีจําเป็น อันนี้ที่จิตมันไม่สามารถดูลมได้เพราะอาการเจ็บป่วยของร่างกายมันรุนแรงก็เลยอ น, นิจจังที่ว่าจะเป็นอนิจจ์มากกาเพราะฉะ น, นั้นครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือดูลมหายใจอย่างเดียวเฝ้าดูอย่างถ้าเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจอย่างเดียวอืมครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับนี่มีคําถามจากท่านอื่นนะครับคุณทิจิรัต นะครับกราบธรรมสการเจ้าค่ะนั่งสมาธิจนเห็นเวทนาควรนั่งต่อจนเวทนาดับหรือควรปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะนั่งต่อเพราะถ้าเราเลิกเราก็จะติดอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เรานั่งพอ เ, เจะเวทนาเราก็ยอมแพ้เราก็ไม่สามารถผ่านเวทนาเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าเรานั่งต่อถ้าสมมติเราดูลมไม่ได้เพราะความเจ็บมันรุนแรงถ้าเราสวดมนต์เมืม่อการใช้คำบริกรรมไป ในคำพูดโธพุดโทไปข้อสําคัญก็คืออย่าไปคิดถึงความเจ็บปวดเพราะเวลาคิดแล้วมันจะเกิดความอยากให้ความเจ็บปวดมันหายและอยากจะหนีจากความเจ็บปวดไปพอเกิดความอยากเหล่านี้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจอีกชั้นหนึ่งที่จะทําให้ทนอยู่ต่อไปไม่ได้ความเจ็บปวดของร่างกายมันไม่รุนแรงเท่ากับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไป อนนี้นเวลาเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาอย่าไปดูความเจ็บปวดให้ใช้คําบริกรรมหรือใช้การสวดมนต์ให้จิตติดอยู่กับคําบริกรรมสวดมนต์จนกระทัางลืมความเจ็บปวดของร่างกายไปแล้วความทุกข์ทรมานใจจะหายไปแล้วบางทีความเจ็บปวดของร่างกายก็หายไปด้วยแล้วจิตก็นิ่งสงบเข้าสู่สมาธิได้ มีคําถามจากคุณพัศรานะครับธนาวิสุทธ์สุลกุลนะครับบอกว่าการสวดมนต์ทาวัดเช้าเย็นของชาวพุทธถามว่าสวดเพื่ออะไรคะและจะได้บุญจากการสวดไหมการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสตินี่เองเป็นการฝึกจิตขั้นต้นก่อนที่จะนั่งสมาธิเราก็เจริญสติก่อนการสวดมนต์นี่ก็เป็นการเจริญสติพุทธา น, นุสติธรรมา น, นุสติสังขานุสติ สวดไปสักพับหนึ่งแล้วใจก็จะเย็นลงคอยเครียดเคยบุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆที่ทํางานหรือกับเรื่องคนให้คนนี้ก็จะหายไปทําให้ใจนี้ว่างพร้อมที่จะนั่งสมาธิต่อไปได้นั่งดูลมหายใจเข้าบุญที่เกิดจากการสวดมนต์ก็คือความสงบนี้ใจเบาใจเย็นใจมีความสุขขึ้นมาจากการสวดมนต์ในระดับหนึ่ง ถ้าอยากให้สุขมากวามากว่านี้เย็นมากกว่านี้หลังจากสวดมนต์เสร็จก็ให้นั่งสมาธิต่อให้นั่งดูลมหายใจเขา้าหรือบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตให้ใจรวมเป็นหนึ่งให้หยุดคิดให้เหลือสักแต่ว่ารู้เป็นอารมณ์มีอุบเบกขาเป็นที่ตั้งของจิตมีความสุขที่เกิดจากความสงบอันนั้นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าใครได้พบกับความสุข น, นี้แล้วก็จะไม่ยินดีกับความสุขชนิดอื่นอีกต่อไปความสุขที่เคยได้จากภาพยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ก็จะหมดความหมายไปเพราะได้พบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง ล้วก็จะเป็นหันชีวิตเข้ามาสู่การรับความสุขแบบนี้ต่อไปอาจารย์ครับวันนี้คุณหมอยิ่งพันครับเป็นหมอตาอยู่ที่พิศนุโลกถามว่าขณะฝึกรู้ลมหายใจมีความรู้สึกผ่อนคลายเช่นรู้ลมหายใจเข้ารู้สึกผ่อนคลายรู้ลมหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายแบบนี้ผิดไหมครับหรือต้องรู้ลมอย่างเดียวครับให้รู้ลมอย่างเดียวส่วนอาการผ่อนคลายนี้ไม่ต้องไปสนใจ การรับทราบไว้ให้ว่ามันมันผ่อนคลายแต่ไม่ต้องไปรู้ว่ามันผ่อนคลายทุกลหมหายใจเข้าออกให้รู้แต่ลมในเพียงอย่างเดียวและเวลาดูลมก็ไม่ต้องตามลมเข้าไปข้างในไม่ต้องตามลมออกมาให้เข้าดูอยู่ที่ปลายจ ม, มกูกตรงจุดที่เข้า เ, าเพียงจุดเดียวเพราะเป้าปหมายนี้ต้องการให้จิตนิ่งจิตไม่เคลื่อนไหวจิตไม่ทํางานนอกจากดูเฉย คุณปริชาต์นะครับบอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะเวลาป่วยได้รับทุกขเวทนามากจากกําหนดจิตภาวนาอย่างไรเจ้าคะก็อย่างเหมือนกับตอนที่เวลาเรานั่งสมาธิแล้ว เ, เวลาร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาก็ให้เราใช้คําบริกรรมพุโทโธพุทโธหรือสวดมนต์ไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดของหน้ากายอย่าไปอยากยให้ความเจ็บปวดหายไปเพราะมันจะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ที่รุนแรงกว่าความเจ็บปวดของร่างกายนพยายามทำใจให้สงบทำให้ใจอย่ามอาีอย่าให้เกิดความอยากให้ความเจ็บปวดทางร่างกายหายไปแล้วใจจะนิ่งใจจะเย็นจะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้คุณระเดนครับอาจารย์ถามว่าทำไมนั่งสมาธิจิตใจไม่ค่อยสงบทาไงดีคะ เพราะว่าจิตใจไม่มีสติหรือ ม, มีสตินอ้อยกำลังมากกาลังไม่มากพอที่จะทำจิตใจให้นิ่งให้สงบได้งั้นก่อนที่จะนั่งสมาธินี่จึงควรจเจริญสติก่อนเช่นการสวดมนต์ไหายพระไปก่อนสักครึ่งชั่วโมองอย่างนี้แล้วจะทำให้มีสติเพ่มมากขึ้นแล้วใจก็จะสงบลงแล้วก็เวลานั่งสมาธิก็จะทำให้จิตสงบได้ง่ายขึ้น ถ้าก่อนที่จะมาปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าเป็นไปได้ก็ให้ฝึกสติทั้งวันเลยมันฝึกสติคอยควบคุมจิตอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆวิธีฝึกจิตฝึกสติก็ใช้กำอมริกรรมพุทโธไปก็ได้เราสามารถทําได้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็เท่าพุทโธพุทโธไปขณะที่เราไปทํากิจส่วนตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไป เลยวิธีหนึ่งก็ให้เราเฝ้าดูกิจการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้ไปกับร่างกายอยู่กับร่างกายร่างกายอาบน้ำก็อาบน้ํากับร่างกายร่างกายรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารกับร่างกายอย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ได้ว่าจะมีสติแล้วพอเวลามานั่งสมาธิให้อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมจิตก็จะไม่ไปที่อื่น จะอยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมถ้าอยู่ได้ไม่นานจิตก็สงบได้คุณทัญพัฒน์นะครับถามว่าขายเบ็ดตกปลาบาปไหมครับอาจารย์ครับการขายเบ็ดนี้มันไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทำา้าเรียกว่าเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ไปทาบาปได้ให้ผู้อื่นไปทำบาปได้ อาชีพที่ขายของที่จะไปทำลายชีวิตของผู้อื่นนอกจากเบ็ดก็พวกอาวุธปืนอะไรต่างๆเหล่านี้กับดักสัตว์ทั้งหลายยาพิษยาฆ่าแมลงยาอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้ทําเองเราไม่ได้เป็นคนไปฆ่าแต่เราเป็นคนขายเราเป็นคนสนับสนุนให้เขาไปฆ่าเป็นวิช า, าชีพเป็นอาชีพที่ไม่ไม่เป็นสัมมาชีพทางหลักของพระพุทธศาสนา แต่ไม่บาถ้าเราไม่ได้เป็นผู้กระทําครัพระอาจารย์วันนี้ก็มีคนฝากถามมาเหมือนกันคล้ายๆอย่างนี้เลยครับบอกว่าเลี้ยงหมูครับอาจารย์เลี้ยงหมูแต่ไม่ได้ฆ่าหมูนะครับแต่ส่งหมูให้โรงงานฆ่าอย่างเงี้ยบาปไหมครับไม่บาป ก, ก็เป็นไม่ฉาก็เป็นไม่ฉาอาชีพ <nio> s. <S เป็นอาชีพที่ไม่ควรที่กระทําสําหรับผู้ที่มีผู้ที่มีความเมตตาผู้ที่ไม่ต้องการเบียดเบียนผู้เถึงแม้จะไม่ได้ทําเองก็ herb, ไม่ควรส่งเสริม ให้ผู้อื่นได้กระทบคนจะเลี้ยงเลี้ยงหมูเล่าไปปล่อยให้เขาอยู่ยังอย่างนี้เลี้ยงไปแบบเราเลี้ยงสนุนัที่เรานันที่เรารลกอย่างนี้เลี้ยงไปจนกว่าเขาจะตายไปอย่างนี้ก็ไม่บาปครับ อาจารย์ครับจากคุณอาร์มดำร ง, งเวทครับบอกกาวนักวการพระอาจารย์ครับเวลามีอะไรมากระทบใจหรือบางครั้งนั่งสมาธิแล้วเกิดปิติน้ําตาไหลมันจะมีอะไรก็ไม่รู้มาจับที่ใจอันนี้ใช่สติหรือเปล่าครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าตัวรู้ครับขอบพระคุณครับเอาไม่แล้วมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาจิตเข้าสู่ความสงบมาความปิติมันก็จะปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้จิต สงบมากกว่านี้เราก็อย่าไปสนใจกับอารมณ์จะมีความขนลุกซ่าขึ้นมาหรือน้ำตาไหลก็ไม่ต้องไปสนใจให้ภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพูดโทก็พุโทโธต่อไปเพราะเราต้องการที่จะให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้สงบให้ว่างจากอารมณ์ทั้งปวงถ้าเราหยุดตรงนั้นเราไปสนใจกับความปิติสนใจกับการน้ำตาไหลเราก็จะไม่ไป ได้ต่อไปเราก็จะหยุดอยู่ที่ตรงนั้นมีคุณพิสมัยถามนะคะาารับพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งแล้วจัดเดินต่อไปอย่างไรเจ้าคะก็พยายามรักษาความนิ่งให้นิ่งไว้นานๆเพราะเราความนิ่งของใจนี่เป็นการพักผ่อนของจิตใจเราต้องการสร้างพลังให้กับจิตใจเพราะเวลาจิตนิ่งนี่จิตจะมีอุเบกขาอุเบกขาก็คือใช จิต น, นี้จะไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงเราต้องการให้จิต น, นี้เป็นแบบนี้มากๆเราก็ต้องนั่งนิ่งๆนานๆเพราะเวลาเราออกหลังจากเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเราไปสัมผัสรับรู้อะไรนี้เราจะยิ่งเฉยได้เราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่จะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่อยู่ อยู่ว่าเรานิ่งเวลานั่งสมาธิเรานิ่งได้นานหรือไม่นานถ้านิ่งได้นานอุเบกขาที่ออกมาที่ติดมากบับการนั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับจิตได้นานถ้าจิตนิ่งไม่นานเวลาออกมาอุเบกขาก็จะอยู่ได้ไม่นานฉนั้นเราต้องการให้จิตสงบนานๆ น, นิ่งนานๆอย่าไปทำอะไรตอนนั้นเพื่อที่จะสร้างอุเบกขาให้มากๆ เวลาเราออกจากสมาธิขึ้นมาเวลาใครด่าล้วเราก็จะเฉยได้เวลาใครเขายั่วยวนกวนใจเราเราก็จะเฉยเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนพระอาจารย์ครับคุณบุมส่งนะครับบอกกล่าบนพัส ก, การค่ะวิธีดับตัญหาความอยากให้เร็วทําอย่างไรคะคือปัญหาความอยากนี้เหมือนดับได้สองวิธีวิธีแบบชั่วคราวกับวิธีแบบถาวร วิธีแบบชั่วคราวก็เวลาเกิดตัณหาขึ้นมาให้สวดมนต์ก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราทําให้เกิดตัณหาขึ้นมาพยายามให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปไม่อยู่กับการสวดมนต์ไปแล้วตัณหาความอยากก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอเราหยุดสวดพุทสวดมนต์แล้วหยุดบริกรรมพุทโธพอเรากลับไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากความอยากก็จะกลับขึ้นมาได้ ถ้าอยากจะให้ความอยากนี้หายไปอย่างถาวรเราก็ต้องพิจารณาวัตถุที่เราไปอยากสิ่งที่เราไปอยากให้เห็นว่าเป็นทายรักเห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งที่เราได้มาเ้าอาจจะคิดว่ามันให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราพิจารณายุทอย่างรอบคอบเราจะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเช่นอยากเป็นนายกรัฐมนตรีพอไปเป็น เ, เดี๋ยวสี่ปีหรือห้าปีหรือสิปีมันก็หมดมาวาระไปเอาหมดเวาะความสุขที่ได้จากการเป็นนายกก็หมดไปความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาแทนที่นั้พิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนี้มันไม่เทีย่ยงเวลาได้มาเดี๋ยวมันหมดเวลาหมดมันจะทําทให้เราทุกข์มันเป็นอนัตตา ม, มันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถครอบครองเก็บมันไว้ให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด ถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้เป็นตายลักเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยากได้อาจารย์ครับผมถามต่อจากคาถามนี้นะครับแล้วสมมติว่าตอนที่เรารเผชิญกับทุกตอนนั้นเลยนะครับพอาจารย์เราจะรู้เราจะเอาอะไรมาใช้ครับอาจารย์ระหว่างสติกับปัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนทำพุโทโธพุโทโธไปจิ ให้จิตสงบให้จิตหุดคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้เรื่องเรื่องที่เราอยากมีอยากเป็นเรือ่องอะไรก็ตามเพราะเราไม่คิดถึงมันปับความอยากมันก็จะหยุดไปชั่วคราวแล้วพอจิตกลับมาเป็นปกติแล้วพอมันจะกลับไปอยากอีกตอนนี้ตอนที่สองนี่ก็ใช้ปัญญาได้สอนใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันไม่เที่ยงนะได้มาแล้วมันไม่แน่นอนมันจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เวลามันจากเราไปจะเสียใจนะยกตัวอย่างสมมติอยากได้แฟนเราไม่รู้ว่าแฟนจะอยู่กับเรานานหรือไม่นานนะครับใช่เขาได้มานาะนเดี๋ยววันดีคืนดีเขาเบื่อเราเขาทิ้งเราก็ได้นะหรือเขาเป็นอะไรก็ได้อาจจะตายไปก็ได้หรือเปลี่ยนไปก็ได้ถ้าเกิดเขาพิกลพิการขึ้นมาเราจะเอาเอาแฟนคนนี้ไหมถ้าเกิดเขาตายเข้ามาไม่กี่เดือนเขาเป็นเ้ามาพึ่งกรรมมาพานี้ขึ้นมาะเราไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้กัน แ, ลแลวลาเราอยากได้เราจะเห็นแต่ด้านดีอย่างเดียวเราไม่คิดถึงด้านเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ความอยากก็จะหมดไปการใช้ปัญญาก็คือการเอาเรื่องเหล่านี้มันนึกคิดอย่างนันใ ช, ใช่ไหมครับใช่น<ะ>ึกคิดว่าเขาเป็นใจรัก <Stream> เขาไม่เที่ยงเขาเป็นอนัตตาเราไปควบ ค, คุคมบังคับเขาไม่ได้พอเขาเปลี่ยนไปพอเขาดับไปทุกข์ก็เกิดเกิดขึ้นมาทันทีท่านยังเรียกว่าใจรักอันนี้จันไม่เที่ยง เกิดอนิจจังทุกข์ก็จะตามมาอนาตตาเราก็ห้ามไม่ได้สั่เขาไม่ได้ถ้าเห็นได้รักในสิ่งนั้นแล้วจะไม่อยากได้เช่นเห็นได้รักในลาภยศสรรเสริญสุขนี้ก็จะไม่อยากได้ลาภยศเสรเสริญสุขพระได้รับได้ลาภเนี๋ยก็ต้องเสื่อมลาภเป็นธรรมดาได้ยศก็ต้องเสื่อมยศเป็นธรรมดาได้สรรเสรเสรก็ต้องมีนินทาตามมาได้สุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้ทุกข์ตามมา ก็สุกมันมั น, ม, นมันไม่ถาวรสุขแบบชั่วคราวครับผมผูานคัดคุณราเรียนถามว่าเคยซื้อปลาเป็นเปนไปให้คนอื่นทําอาหารแบบนี้คนซื้อจะเป็นบาปไหมคะถ้าสั่งให้เขาทาให้ก็ บ, บาปถ้าสั่งให้เขาช่วยทําปลานี้ให้หน่อยเนี่ยก็สั่งมาแล้วทาําเองก็ดีฆ่าเองก็ดีแล้วสั่งให้เขาฆ่าให้เราก็ บ, บาปด้วยกันทั้งคู่ แต่ถ้าเราซื้อปลาแล้วมอบไปให้เขาเราเราไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาไปทําแล้วเอากลับมาให้เรานี้ไม่บาปห้ามสั่งห้ามทำเองอย่างสมมติเราเป็นแม่ค้าเราเป็นพ่อค้าขายก็มันไก่คเราต้องไปซื้อไก่ถ้าเราไปที่ร้านไก่แล้วสั่งก็ามาลงหน้าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวอย่างเงี้ยบาปแต่ถ้าเราไปที่ร้านแล้วดูว่ามีไก่ขายบาปถ้ามีเราก็ซื้อ เขาฆ่าไว้แล้วขแา่เขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเราเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเพื่อเราเราซื้อไก่ที่เขาฆ่าแล้วมาทำไม่บาปแต่ห้ามสัง่งห้ามทําเองครับผมคุณเคนเลอร์เทเนนะครับถามว่ากลับเรียนถามพระคุณเจ้าอยากบวชแต่สภาพร่างกายคุกเข่านานไม่ได้เนื่องจากอ้วนนั่งประเพียบไม่ได้เนื่องจากการผ่าตัดมาจึงเกรงว่าถ้าบวชจะปฏิบัติกิจตามพระวินัยไม่ได้กราบขอพระคุณเจ้าเมตตาแนะนําทางออกครับ ก็บวชเป็นพระขาวไปก่อนก็ได้ไปอยู่วัดแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติถ้าเราไม่ได้เป็นพระในกฎระเบียบก็จะไม่แคบงวดกับการเป็นพระขาวเป็นผู้ที่ถือศีลแปดอย่างนี้หรือก็ม่เช่นั้นก็ก็บวชที่บ้านบวชที่ใจรักษาศีลที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านไปตามกําลังของเรา แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าผลที่จะได้มันอาจจะไม่ดีเท่ากับการได้บวชแต่การจะบวนนี้เขาต้องการให้เรามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงที่สามารถที่จะประกอบหน้าที่ของนักบวชได้อย่างเต็มร้อยนี่เราก็ต้องยอมรับว่าเรามีเป็นนนเเปเป็็วิบากกรรมของเราก็แล้วกันที่มีร่างกายที่ไม่สมประกอบไม่พร้อมกับการบวช คุณสมาร์ทครัพระเจ้ากลุ่มพุทธศาสนานะครับบอกว่าเมื่อมีสติก็มีจิตที่ดีสร้างจิตให้เป็นจะรู้ทุกอย่างอ๋ออันนี้ไม่ใช่คําถามเพว่าขอไปรครับอาจารย์ครับอันนี้นะครับคุณเพียนวรัตนะครับกล่าวในรักราลพระอาจารย์ค่ะได้ถ่ายชีวิตวัวสองตัวแล้วมอบให้ผู้อื่นเลี้ยงเพื่อให้เขามีอาชีพสร้างรายได้จากการขายลูกวัวรุ่นถัดๆไปวงเล็บอาจส่งโรงฆ่าสัตว์ ผู้ถ่ชีวิตวัวและผู้รับวัวไปเลี้ยงจะบาปหรือเปล่าคะคือถ้าเราถ่ายแล้วก็เราก็อมอบให้เขาไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอะไรหรือเราคิดว่าเขาเอาไปเพื่อที่จะไม่ไม่ไปฆ่าก็ไม่บาปแต่ส่วนที่ถ้ามีลูกออกมาแล้ว เ, เอาไปเอาไปส่งโลง่าสัรว์อันนี้ก็เป็นเรื่องไกลตัวเราแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราใครก็จะไปทําอะไรต่อมันก็เป็นเรื่องของเขาลราเกี่ยวข้องกับ สัตว์ที่เราไปไทยชีวิตเข้ามาเท่านั้นเองเราถ่ายชีวิตเพื่อให้เขาได้อเมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณวันชนาถามว่าเคยทําทานแล้วมีความสุขอย่างมากแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกทําแล้วไม่อิ่มเอเหมือนเมื่อก่อนทั้งที่ขณะทําทานนั้นรู้สึกดีมากนะครับอย่างนี้เรียกว่าจิตในทานเสื่อมลงหรือไม่ครับแก้ไขอย่างไรครับกราบน้ำสการครับ อ, อไม่ครับ การทำทานก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารตอนต้นเราทำแล้วเรามีความอิ่มเอิบใจมีความสกใจแต่ครั้งต่อไปถ้าเราทำระดับเดิมนี่มันรู้สึกเฉยเฉยก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราเป็นเด็กเวลาเรารับประทานอาหารนี่เราก็รับประทานไม่มากเราก็อิ่มแต่พอราต่อมาร่างกายเราก็จเจริญเติบโตขึ้น เรากินรับประทานระดับเดิมมันก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่พอเราต้องเพิ่มชั้นการปฏิบัติการทำทานก็แบบนั้นใจเราจะใหญ่ขึ้นใจเราจะฟูมากขึ้นฉนั้นจะท่าใจเรามีความสุขมากขึ้นเราก็ต้องให้มากขึ้นอาจารย์ครับมีคนถามว่าคุณทิธิรัตน์นะครับกราบร้าการเจ้าขาโซดามักคือเดินตามมักแปดใช่ไหมเจ้าคะ คือสวดามะ ก, ก็เป็นเป็นเป็นการปฏิบัติมรรคแปดนี่นะแต่มรรคแปดนี้มีหลายระดับด้วยกันมีสี่ระดับด้วยกันระดับโสดาระดับสกิดาคาระดับอนาคารและระดับพาาระอรหันต์ทั้งสี่ระดับนี้ต่างกันที่ปัญญาแต่ทางด้านศีลและสมาธินี้เท่าเหมือนกันต่างกันที่ ปัญญาที่จะใช้กับการละสังโยชน์หรือละกิเลสของแต่ละขั้นนี่ต่างกันขั้นโสดามากโสดานในมากก็ต้องเจะ ล, ะละสังโยชน์สามข้อแรกคือวิจิตริจฉาสกายาเทฐิวิจิตริชฌาสีระปาตัปรมาสเนี่ยสกายาเทฐิคือการเห็นว่าขันห้าทนี้เป็นตัวเราเห็นร่างกายนี่เป็นตัวเราเป็นต้น แล้วิ็มีจิกิจช้าก็คือการลองใน่สงสัยในพระพุพะทธธรรมผสมศีลรับพระตปรารมา ก, ก็คือการไม่มั่นใจในในในความดีในประโยชน์ของการรักษาศีลอันนี้โสดาต้องเต้องปฏิบัติละให้ได้ถ้าละได้ละก็จะได้สได้เป็นพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันถ้าอยากจะขึ้นสู่ขั้นที่สองก็ต้องเจริญ สกิทาคามคามีมากก็คือการไปลัสัมยชน์อีก2 อ, อ, องอันก็คือการมาราคากับปฏิคะกามาราคาก็คือการความมีกามอารมณ์ความอยากความใคร้ยในการแล้วปฏิคาก็คือความหงุดหิดใจที่เป็นของที่มาคู่กันเวลามีกามอารมณ์มันก็จะเกิดความหงุดหงิดน้ขางใจขึ้นมาถึงต้องไป ต้องตองไประบายด้วยการไปร่วมเศษขาวกระพู้งแต่มันเป็นการระบายแบบชั่วคราวเดี๋ยวการมารมกลับขึ้นมาใหม่ความลมคาญใจก็เกิดตามขึ้นมาใหม่วิธีที่จะแก้ปัญหาอย่างอย่างถูกต้องก็คือต้องละการมารมด้วยการเลือกถึงความไม่สวยงามของร่างกายพอเห็นร่างกายไม่สวยงามความอยาก คือการมาลมนี้ก็จะหดตัวไปความญหงุดหงิดรับกาใจก็จะหายไปท่านสกิาคาเมนี้ละการมาลมละความญหงุดหงิดใจได้บางส่วนทําให้เบาบางลงแต่ยังไม่หมดต้องจเจริญต่อไปอีกขั้นหนึ่งขั้นพระอนาคามีก็พิจารณาสุภาพเหมือนกันแต่สามารถทําลายการมาลมได้หมดสิ้นอย่างสิ้นเชิงก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคาม อันนี้คือขั้นต่างๆของการจเจริญมั่งศีลกับสมาธินี่เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือมัง่งทำขั้นปัญญาไม่เหมือนกันปัญญาก็เป็นเหมือนวิชาความรู้ที่เรียนเหมือนที่เราเรียนตามในมหาหลัยนี้แต่ละชั้นแต่ละปีนี่จะมีวิชาความรู้ที่ไม่เหมือนกันที่เราต้องเรียนอันนี้ก็เหมือนกันมั่มีอยู่สี่ขั้นที่จะทาให้บรรลุ เป็นพระอริย บ, บคุคคลจีระดับด้คกันอันนี้ก็เป็นพูดตัวอย่างให้ฟังไว้คร่าวๆถ้าอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปเปิดหนังสือดูได้นะสังโยชนิสิบข้อด้วยกันก็จะทำให้ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ครับคุณบุมส่งนะครับกล่าบนพัสการพระอาจารย์อยู่ครองเรือนจะสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมคะถ้าปฏิบัติมรรคแดขอบคุณค่ะ กองเรือนมันก็ก็ต้องนอนอยู่ยกับภรรยาอยู่กับสามีามันถ้าไม่ถ้ามันอยู่ร่วมกันมันก็จะบรรลุธรรมไม่ได้คนที่จะบรรลุธรรมนี้ต้องละการมารมลให้ได้นะต้องไม่ร่วมหลับนอนกับใครต้องเป็นโซนเนี่ยยังกองเรือ น, นี้ถ้ากองเนือนแบบโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าสามารถละสังโยชนิข้อนี้ได้ถ้าสามารถนั่งสมาธิทําจิตให้รวมเป็นอุเบกขาได้ จะสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์ได้ก็สามารถบรรลุบัพปนิพันธ์ได้ครับพระอาจารย์ครับคำถามนี้ยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีในนี้นะครับพระอาจารย์ผมขออนุญาตอ่าในให้ฟังนะครับคุณจากคุณสายฟ้าพระอาทิตย์จากเพจพระอาจารย์นะครับกราบธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบยึดเอาการยึดเอาของของคนอื่นที่เขาไม่เต็มใจในตอนแรกมาไว้ในครอบครอง แต่ต่อมามีโอกาสได้ฟังธรรมะที่ลึกซึ้งและปฏิบัติธรรมมากขึ้นจึงรู้สึกผิดกลัวบาปกลัวกรรมเลยบอกคืนให้เขาไปหลายครั้งแต่เขาไม่รับคืนและบอกยกให้เราด้วยความเต็มใจแล้วภายหลังจากที่แรกๆเขาเองก็ไม่ยินยอมและโกรธแค้นซึ่งปัจจุบันนิยมก็ยังครอบครองขอ ง, ขอ ง, ข, องของเขาอยู่กราบขอโอกาสถามพระอาจารย์ค่ะว่าตั้งแต่ในตอนนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนิยมผิดศีลห้าข้อสองหรือไม่เจ้าคะ เพราะยังรู้สึกติดอยู่ในใจและรู้สึกผิดตลอดที่หลอกยึดเอาของของคนอื่นมาครอบครองทำผิดศีลข้อที่สองและทุกวันนี้จะปฏิบัติภาวนาก็รู้สึกศีลไม่บริสุทธิ์ทั้งที่เขาก็ยังยืนยันบอกยกให้โยมด้วยความยินดีและเต็มใจหลายครั้งแล้วก็ตามเจ้าคะ่ะขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คทั้งตอนต้นที่ไปเอาของเขมาโดยที่เขาไม่อนุญาตเนี่ยก็ผิดศีลนะแล้วต่อมาเขาอนุญาต ก็หลังจากนั้นถ้าพอข้าวนุญาตแล้วก็ไม่ถือว่าผิดศีลอีกต่อไปนะจากคุณใบตองกุงนะครับอาจารย์ครับบอกผมนั่งสมาธิจิตที่เคยสงบแต่ตอนนี้ไม่สงบเหมือนเดิมไม่มีความสุขเหมือนเดิมทําอย่างไรครับ เ, ออเวลานั่งอาจจะไปคิดถึงผลที่เคยได้ในอดีตแทนที่จะมาดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันครับไปนึกถึงผลว่าเ อ, อเคยสงบ สมาว น, นี้ไม่สงบสักทีถ้านั่งแบบนี้ก็จะไม่มีวันสงบได้เวลานั่งสมาธิถ้าอยากจะให้สงบนี้ต้องไม่ไปคิดถึงไม่ไม่ไปคิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงอดีตผลที่ผ่านมาแล้วในอดีตไม่ให้ไปคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจเป็นเพียงอย่างเดียว ถ้าสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจได้เดี๋ยวจิตก็เข้าสู่ความสงบได้จากคุณอ้วงถามว่าการนั่งสมาธิกับอาณาปานาสติต่างกันอย่างไรเจ้าคะอันเดียวกันเวลานั่งก็ต้องใช้เวลานั่งสมาธิก็นั่งนั่งดูลมหายใจเข้าออกอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการรู้รู้ลมเข้ารู้ นูลงออกก็เรียกว่าอน า, าปานาสติเป็นวิธีนั่งสมาธิวิธีหนึ่งอันนี้คำถามล่าสุดนะครับคุณจัรคุณพัชศศริธรรมวิโมกนะครับกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามค่ะถ้าเราพิจารณาอัตติตังอัติกุรังตลอดทั้งวันถึงตอนนั่งสมาธิเราต้องเปลี่ยนคำบริกรรมจากพุทโธเป็นอัตติตังหรือเปล่าเจ้าคะ เราใช้อธิตังไปตลอดเลยก็ได้ถ้าเราทําให้ใจเราสงบได้ไม่ต้องเปลี่ยนครับผมจากคุณอารีมีพิมพ์นะครับพระอาจารย์ครับกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเคยทุบหัวปลาดุกหนึ่งครั้งนึ่งปูที่ยังไม่ตายหนึ่งครั้งสิ่งที่เคยทํานี้ติดอยู่ในใจตลอดทําอย่างไรจะปล่อยวางได้เจ้าค่ะก็อย่าไปคิดถึงมันสิเวลาคิดก็ให้ลึกถึงพุฒโธวุฒโธไป รือสวหมวนไปเพื่อที่จะหยุดความคิดเหล่านี้แล้วก็อาจจะใช้ปัญญาสอนใจว่าอาดีตมันผ่านมาแล้วไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้วิบากกรรมที่จะเกิดมันก็ต้องเกิดเราห้ามมันไม่ได้แต่ก็เอามาสอนเป็นเป็นบทเรียนสอนใจว่านี่แหละเวลาทำบาปแล้วมันจะทำให้เรามีความรู้สึกไม่ดีแล้วต่อไปก็อย่าพยายามทำบาปอีกต่อไปทาได้เท่านี้ อดีตมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกลับไปลบไปล้างมันได้ไปเขียนใหม่ไม่ได้แต่เราเขียนปัจจุบันนี้ได้ปัจจุบันนี้เราพยายามรักษาศีอยา่าฆ่าเสร็จแล้วต่อไปผลที่เราได้ตอนในตอนนี้มันก็จะไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าอดีตต่อไปจากคุณบีเบกัญญีนะครับกลาบเรียนถามผู้อาจารย์จัดการกับความโกรธอย่างไรคะ เกิดเรื่องขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วบางทีนึกถึงเรื่องราวนั้นๆคือความโกรธนี่มันเกิดจากความอยากของเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้แล้วพอไม่ได้เราก็โกรธเขาขึ้นมาเท่านั้นเองั้นถ้าเราหยุดความอยากได้ยินดีตามมีตามเกิดเขาจะให้อะไรเราก็อดก็ก็ยินดีเขาไม่ให้ก็ยินดีเราก็จะไม่โกรธใคน พยายามอย่างไปมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคลจากบุคคลนั้นบุคคลนี้แล้วความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนความโกรธที่เกิดขึ้นไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันนั่นเองถ้าเวลาคิดก็เช่นเดียวกันกับเมื่อกี้นี้คือให้ท่องพุโทโธพุทโธไปเพื่อหยุดความคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วจากคุณสารดีนะครับ นั่งสมาธิแล้วตัวโยกโครงมีวิธีแก้ไหมคะก็แสดงว่าเรานั่งแบบไม่มีสตินั่นเองถ้านั่งแบบมีสติเหมือนกับตอนนี้เรานั่งคุยกันตอนนี้เราก็จะไม่โยกแต่เวลาเรานั่งเรามักจะเคลิบแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายมันมันโยกนั่นแสดงว่าสติเราบลบควรจะหยุดนั่งแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินสร้างสติขึ้นใหม่ก่อนลุกขึ้นมาเดินจงกรม หรืออาจจะถ้าอยากจะนั่งต่อก็ลืมตาแล้วก็สวดมนต์นั่งสวดมนต์ไปสักพากก่อนให้ได้สติกลับมาแล้วค่อยนั่งหลับตาดูนมหรือพูดโทนใหม่ต่อไปอาจารย์ครับอันนี้ถามเองครับอาจารย์ผมเคยฟังพระบางครูบาอาจารย์าองค์ท่านก็เทศสอนนะครับว่าถ้านั่งไม่ได้ก็ให้สร้างจังหวะเช่นยกมือแล้วตามมือไปอย่างนี้ครับอาจารย์มันจะก็เป็นวิธีฝึกสติแบบหนึ่ง ทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ได้ก็เหมือนเดินเดินแล้วก็ก้าวเท้าเราก็ดูเท้าถ้าเมื่อนุ่งขึ้นมาเดินเราก็ใช้มือก็ได้แต่ความสงบก็จะไม่ได้เหมือนนั่งหรือเปล่าครับอาจารย์อ๋อยังไม่ได้แล้วเพราะเราต้องเรียกสติขับขึ้นมาก่อนเราถึงค่อยนั่งใหม่ทีนั่งนะนั่งต่อดูลมต่อดูอพูดโทต่อต่อไปเพราะเหมือนกับว่าเราขับไปแล้วน้ํามันหมดการทางจะทําทไงเราก็ต้องเดินไปซื้อน้ํามันมาเติมไป ก็จะไ้วิ่งต่อไปได้นั่งแล้วศับ์ประงกนั่งแล้วร่างกายโคก็เหมือนน้ํามันหมดสติหมดก็ต้องไปเติมสติก่อนเขาได้สติแล้วก็มานั่งต่อได้คุณเบญจ ด, ดวงมาลาครับการมรสการค่ะสติปัฏฐานสี่สมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะมันแตกต่างกันนะ เพราะว่าสติปัฏฐานสิ่งนี้เป็นพะสูุชื่อของพระสตุที่พระเจ้าทรงแสดงสอนพระวิธีปฏิบัติเจริญจิตตภาวนาสมาธิและปัญญาส่วนคำว่าสมถตกรรมฐานนี้คือกรรมฐานที่เราใช้ทำใจให้สงบเช่นพุโทโธอนาปนาสตินี่เราเรียกว่าสมถตกรรมฐาน ส่วนวิปัสสนากรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ทำให้เราเกิดปัญญาเช่นาาการสามสิบสองของร่างกายหรือศพสบสบิสบชนิดเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานคุณ RW ครับบอกว่านั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าพร้อมท้องพองรู้ลมหายใจออกและท้องยุบ ทุกครั้งเลยพระอาจารย์ให้รู้ลมที่จมูกอย่างเดียวขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะวิธีฝึกเจ้าค่ะเอาได้ทั้งสองวิธีแต่เราเราถนัดวิธีที่ปลายจมูกเราก็เลยพูดแต่เรื่องปลายจมูกเพราะเราไม่เคยนั่งดูท้องเข้าเข้าออกแต่สามารถใช้ได้วิธีวิธีดูลมที่ปลายจมูกก็ได้ดูลมที่หน้าท้องก็ได้แล้วแต่จะถนัดได้ได้ทั้งสองอย่าง คุณสุกัญญานะครับบอกว่าเคยไปเด็ดดอกไม้ที่วัดหนึ่งมาปลูกที่บ้านแต่ได้ชำระหนี้สงอีกวัดหนึ่งแต่ไม่ใช่วัดเดียวกันถือว่าชำระหนี้สงแล้วหรือเปล่าคะก็สมมติว่าคนยืมมาจากคนนี้แล้วคนไปเอาเงินไปให้อีกคนอย่างนี้คนชาระหี้เขาไม่ยัง คุณภัทริศตระมาบิโมกครับขออนุญาตถามเพิ่มนะคะคําว่าไม่สนใจนิมิตต่างๆต้องทําอย่างไรในเมื่อในสมาธิเป็นภาพบังคับให้เราต้องมองเราต้องวางอารมณ์แล้วสนใจอะไรเพื่อคุมไม่ให้ไปสนใจนิมิตขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ให้เราอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกลองใจของเราไลยถ้าเราดูลมก็ให้อยู่กับอารมณ์อ ย, อยู่กับลมไปอย่าไปสนใจกับนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา ถาเราบริกรรพุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปสนใจเดี๋ยวนิมิตต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปเองถ้าเราไม่ไปให้ความสําคัญกับเขาคุณกำมนถามว่ากล่าวธรมวัสการค่ะที่มีการกล่าวว่าจิตเกิดดับตลอดเวลาหมายถึงอย่างไรคะหมายถึงอารมณ์ของจิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวดีใจเหนือเสียใจ เดี๋ยวรอดใจเดี๋ยวเย็นใจเดี๋ยววุ่นวายใจเดี๋ยวสงบใจนี่นี่คือความหมายของจิตก่อ ด, ดับตลอดเวลาไม่ใช่ตัวจิตเองตัวจิตไม่มีวันดับเปรียบเทียบตัวจิตนี่ก็เป็นเหมือนหิ่งห้อยนส่วนแสงของหิ่งห้อยนี่ก็เกิดดับเกิดดับแต่ตัวหิ่งห้อยมันไม่ได้เกิดดับเกิดดับคุณรัญญานางวงศ์ครับกราบนะ้ำรสการพระอาจารย์เจ้าขาก กราบนมัส ก, การถามพระอาจารย์ว่าเราจะทําอย่างไรในการทําให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีสติและมีจิตที่เป็นกุศลในระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตเพื่อให้จากไปอย่างสงบมากที่สุดค่ะกราบสาธุค่ะ อ, อ๋อมันต้องฝึกตั้งแต่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไม่เป็นอะไรเฮ้ยเช่นตอนนี้ยควรจะฝึกกันเตรียมตัวไว้ก่อนไม่จะไปฝึกตอนที่จะตายแล้วมันสายเกินไปแล้วเหมือนกับการที่เราจะไปสอบ entrance หรออะไรเนี่ย เราต้องเตรียมดูหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อนไม่ใช่เป็นดูวันวันคืนนี้แล้วทุกนี้ไปสอบมันก็ไม่ทันการเราต้องทําการบ้านเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อนพอถึงเวลาเราเข้าโรงพยาบาลจะถึงขั้นสุดท้ายเราก็จะสามารถทําใจให้สนุกไปไปได้อย่างสนุกไม่ใช่มาทําตอนที่เราใกล้ตายแล้วค่อยมาฝึกมันไม่ทันการ คุณทีโรโชตครับบอกว่าถูกเอาเปรียบเป็นเพราะชาติก่อนเราไปเอาเปรียบเขาไว้ก่อนใช่ไหมครับก็คิดอย่างนั้นก็ดีเพราะว่ามันจะได้เราจะได้ไม่ไปเอาเปรียบใครในชาตินี้ต่อไปทําสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาคุณกิกี้นะครับบอกกราบพระอาจารย์สุชาติและขอบพระอาจารย์เมตตาเวลานั่งสมาธิชอบคิดเรื่องทะลึง่งหรือมีเรื่องเพศเข้ามาต้อง สู้กับสิ่งเหล่านี้พักใหญ่ขอพระอาจารย์ได้โปรดชี้นแนะด้วยครับก็ให้ไปคิดถึงอาการ32ของร่างกายแทนเมพอคิดถึงเรื่องเพศนี้ก็ลองคิดถึงว่าอาการา32ร่างกายมีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกเยือ่อในกระดูกบ้างหัวใจตัดพังผืดตายปอดลาไส้ใหญ่ลาไส้น้อย ไปคิดถึงเรื่องนี้แทนแล้วก็นึกภาพของร่างกายเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดถึงเรื่องราวเรื่องเพจได้นยังต้องหัดฝึกพิจารณาสุภาพบ้างหรือถ้าเราไม่ชนะเราก็ต้องใช้พุโทโธก็ได้เวลาคิดเรื่องอะไรก็ใช้ท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าป่อยให้มันคิดถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้ คุณบูมสงครับกรารัมศาการค่ะล่าสังโยชน์สามได้เป็นโสดาบันยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะหมาอถึงหลังจากล่าสังโยชน์ได้แล้วสามก็ต้องละสังโยชน์อีกสองข้อคือการมาลมเขาเรียกาการมาราคะกับปฏิคะครั้งนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นสองขั้นท่าละการมาราคะกับปฏิคะได้ได้ส่วนหนึ่งได้ทำให้เบาบางลง ก็ได้เป็นพระสังกิตาคามีแล้วถ้าสามารถละได้อย่างน้อยเปร์ซก็ได้เป็นพระอนาคามีขั้นที่สาแล้วขั้นที่สี่จะ ก, การจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ทำมาลัสนิยมห้าข้อนิย์เบื้องบนที่เราเมื่อกี้เราพูดถึงสนโยชน์เบื้องต่ําเบื้องล่างคือสติญาทิฏฐินี่จะถึงปฏิฆาที่เป็นห้าข้อแรกนี่เป็นนิยมเบื้องต่ํา แล้วพอละเบิกตัดได้แล้วเราก็ไปละสัมยุนเบิงบมนคือมีอีกห้าข้อคืออำมัก็รูปราคะอรูปราคะอุทัจจามานะละกาวิชาอันนี้ก็ลองไปเปิดดูความแปลความหมายอยู่อันนี้ถึงยอมบรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ มบรรู้ถึงพณิพานได้คุณวารุณีครับบอกว่าการที่เราเจอเรื่องไม่ดีหรือเกิดปัญหาแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรรมเก่าคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะคล้ายเดิมครับถ้าคิดแล้วทาให้ใจเราสงบก็ใช้ได้แต่ความเป็นจริงนี่โลกเรามันก็มีทั้งดีและไม่ดีมันเมืนเราจะเป็นเรื่องเราแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีดีบ้าไม่ดีบ้างเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทำไมใครจะไปคิดว่าช่วงนี้จะมีโควิดเข้ามาได้มันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของโลกนี้ที่มีทั้งดีและไม่ดีเราก็ต้องเจอมันถ้าเรามาเกิดในโลกนี้คุณบีเบกันยานีครับบอกกับเรียนถามพระอาจารย์วันนี้หนูพาคุณแม่นั่งฟังพระอาจารย์เป็นครั้งแรกค่ะคุณแม่ท่านอยากเรียนถามว่าการฝึกนั่งสมาธิเริ่มแรกควรปฏิบัติอย่างไรคะ เราเรก็สวดวนไปก่อนถ้าสวดวนได้ก็สวดบนอิทิพิโสไปสั้นๆไม่ต้องยาวแล้วอิทิพิโสสวดไปหลายๆจบสวดอาจนกระทั่งรู้สึกว่าใจเย็นใจสบายก็หยุดสวดแล้วก็นั่งพับเพียบต่อไปก็ได้แล้วนั่งขัดสมาธิก็ได้แล้วก็จะใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือจะดูดลหมหายใจเข้าออกไปก็ได้ดูที่ปายจมูกหรือดูที่หน้าท้องก็ได้ เวลาลมลมเข้าออมันก็พองขึ้นมาเวลาลมออกท้องมันก็ยุบลงไปเรื่อดูตรงที่จุดลมสัมผัสที่ปลายจมูกก็ได้ข้อสำคัญก็คืออย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้รู้อยู่กับพุทโธหรือให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตก็จะสงบ ม, มีความสุขขึ้นมาได้อาจารย์คัดคุณ G2 GTE สิบเ็ด บอกว่ายัางคิดถึงคุณแม่ที่เสียไปนึกถึงแล้วจะร้องไห้เสมอต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับ<ค><ณ>ก็อย่างว่าถ้าเราไปนึกมันก็ทําให้เราเศร้าถ้าเราไม่อยากจะเศร้าก็เราก็อยา่าอยากคิดถึงเพราะว่าคิดยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะดึงมันกลับเข้ามาได้มันเป็นอดีตไปแล้วเห็นเวลาเราคิดถ้าเราอยากจะหยุดคีดก่กลันบสวดวนไปหรือพุโทโธไป เราก็จะหยุดความคิดถึงคุณแม่ที่เสียไปได้ครับผ ม, รบผมพระอาจารย์ตอนนี้มีคําถามที่ผมต้องอ่านให้พระอาจารย์ฟังนะครับคุณวิธิดานะครับบอกว่าทํายังไงถึงจะกลับมาสนใจสมาธิเหมือนเดิมแต่ก่อนชอบมากตอนนี้ไม่อยากทําสนใจแต่ข่าวลุงพลหรือเรื่องซื้อของออนไลน์มากกว่าคะ่ะก็ต้องทําใจให้แข็งแล้วก็หยุดหยุดการดูอะไรต่างๆ แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหันมนาสวดมนต์หันมาฟัาเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะพระอาจารย์ขาดไปอีกแล้วโอเคคงต้องรอท่านสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าท่านยังต้องอีกสักครู่หนึ่งเมือ่อกี้มีคำถามมาถา ม, มถึงคุณแม่ที่เสียไปใช่ไหมครับอาจารย์ได้เมตตาอตอบแล้วนะฮะอะม่อยากไปนึก ท่านนั้นก็พูดโทรไปด้วสวมดมนไปเพื่ อ, อยัคบความคิดถึงท่านเสียรครับผมคุณนันชุกกรครับบอกว่ากลาบน้ำมศการหลวงพ่อสวัสดีค่ะคุณหมออยากกลับเรียนถามพอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วเห็นแสงเป็นสีต่างๆเช่นสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลืองคืออะไรคะก็มันเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการนั่งสมาธิแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็เห็นเห็นสีบางคนก็ได้ยินเสียง บางคนก็มีความรู้สึกอะไรต่างๆที่ที่ร่างกายอันนี้เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ด้วยผลข้างเคยียงที่เกิดจากการนั่งสมาธิซึ่งไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการแล้นเราก็ไม่้องไปให้ความสำคัญเพราะเราเกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการนั่งสมาธิของเราต่อไปคือถ้าเราใช้พุดถัก็พุดถัต่อไป ถ้าดูลมหายใจก็ดูลมต่อไปอย่าไปให้ความสําคัญอย่าไปตามรู้พวกสีอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเราต้องการให้จิตนิ่งสงบเป็นอุเบกขาให้จิตว่างถ้าเราดูลมไปเรื่อยๆหรือพุดโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวสีต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาก็จะหายไปเองแล้วจิตก็จะสงบว่างเย็นสบาย คุณนววันครับถามวากับเรียนพระอาจารย์ค่ะการที่เราได้ทำความดีให้สังคมแต่เรามาเจอมารผจญทำให้เสียชื่อเสียงเช่นนี้เราจะต้องทำอย่างไรคะก็ทำใจาะสิเพราะว่าความดีของเราที่เราทำานในวันนี้มันไม่เกี่ยวกับผลที่รับผลที่ไม่ดีที่เรารับในวันนี้เพราะผลที่ไม่ดีที่เรารับวันนี้มันอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการทาไม่ดีของเราในอดีตก็ได้มนมันเป็นคนละเรื่องกัน เป็นเรื่องของความดีกับความไม่ดีที่เราอาจจะเคยทำมาในอดีตแล้วมันมาส่งผลในปัจจุบันส่วนความดีที่เราทำในปัจจุบันนี้มันยังไม่มีโอกาสได้ส่งผลงั้นเราก็พยายามพยายามยึดติดอยู่กับความดีไปทาความดีไปแล้วถ้าเกิดมีสิ่งไม่ดีที่มาปรากฏให้ให้กับเราเราก็ยอมรับ ว, ว่ามันเป็นวิบากกรรมของการกระทาที่ไม่ดีของเราในอดีตไปก็แล้วั อย่าท้อแท้ต่อการ ก, กับการทําความดีการทําความดีก็ เ, เหมือนกับการปลูกต้นไม้ในวันนี้กจะามัอาจจะต้องใช้เวลาหลายหลายปีกว่าต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้มันจะออกดอกผลให้กับเราส่วนผลที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นตอนเราอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการที่เราปลูกต้นไม้มาในอดีตหลายปีแล้วมันก็เอาศกผลเ อ, อกดอกออกผลในปัจจุบันนี้ ให้คิอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ทอแท้ใจในการทำความดีในละในการละการกระทำไม่ดีทั้งหลายครับมีชื่อในยูทูบชื่อกราบพระอาจารย์สุชาติเลยนะครับอาจารย์ผมกลาบขอโอกาสครับขอเรียนถามโลกนอกและโลกในเป็นเสมือนกันครับแต่ยังมีขอบเขตบางๆอยู่มันไม่ได้ว่างแต่เป็นเหมือนโลกทั่วไปที่ตาเห็นครับยังมีขอบเขตบางๆกันครับ กราบขอคําแนะนําครับกราบขอบพระคุณครับคือคำว่าโรคนอกนี่ก็ควจะหมายถึงโรคที่ที่ร่างกายนี้อยู่เราเรียกว่าโรคนอกโรคของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เป็นโรคนอกส่วนโรคในก็คือโรคที่อยู่ในใจเราความคิดต่างๆความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในใจเรานี้เขาเรียกว่าเป็นโรคในแล้วมันเป็นคนละโรคกัน ร่างกายนี้อยู่โลกโลกนอกส่วนจิตใจนี่อยู่โลกในนี่ก็โลกทิศก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปสนใจมันจะมีขอบก็ไม่มีขอบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาของเราตอนนี้ก็คืออยู่ที่ความทุกข์ใจของเราที่มาเกี่ยวข้องกับโลกนอกนี่เองนี่เราต้องการฝึกจิตให้ปล่อยวางโลกนอกไปได้ไม่ให้ไปทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆของโลกนอกแล้วโลกในก็จะเย็นโลกในก็จะสงบ ถ้าเราไปวุ่นวายตามสิ่งต่างๆที่มีปรากฏอยู่ในโลกนอกใจของเราก็จะวุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์ขึ้นมาคุณพัสรานะครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนอกจากการรักษาสีลห้าแล้วมีธรรมะข้อใดที่จะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งจะได้ไม่ทำในสิ่งผิดๆก็การฝึกสตินี่แหละเป็นการวิธีที่จะทำให้จิตใจเราเข้มแข็ง พยายามเมืนฝึกสติพุโทโธพุโทโธแล้วคอยเฝ้าดูการกระทำต่างของเราอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่อยถ้าเราก็ควบคุมความคิดได้ใจเราก็จะมีความหนักแน่นใจเราจะเฉยจะนิ่งได้เวลาใครก็พูดอะไรทาอะไรใจเราก็จะไม่เดือด น, นอนไม่วุ่นไวายไปกับการพูดกับการกระทาของเขาได้ดงั้นมันพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วใจเราจะได้แข็ง สตินี้แลเป็นตัวนี้ทําให้ใจเราเข้มแข็งทําให้ใจเราไม่หวัน่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับใจครับอันนี้ผมอ่านพระอาจารย์ฟังนะครับจากคุณธีรชาติบกกราบนมัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ว่าบทสวดมนต์มีอํานาจอื่นใดนอกเหนือจากทําให้ใจสงบไหมครับไม่มีหรอกเท่าที่เราเข้าใจนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุบายเพื่อฝึกจิตให้สงบท่านังให้มีสติ ส่วนคนความเชื่อนี่เราก็ห้ามไม่ได้บางคนก็เชื่อว่าสวดบท น, นี้แล้วให้ร่ําให้รวยสวดบท น, นี้แล้วจะมีอายุยืนยาวนานสวดบท น, นี้แล้วจะหายจากโรคภัยใกล้เจ็บอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ความจริงแล้วถ้าที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาการสวด น, นี้ก็เป็นการควบคุมจิตใจให้ให้สงบมาให้ฟุ้งซ่านมาให้วุ่นวายนั้นเองผมถามต่อเลยครับอาจารย์แล้วอย่างเช่นที่เขาพกเครื่องรางของขลังกันอย่างเงี้ยครับอาจารย์ มีมีอำนาจจริงไหมครับอาจารย์ครับไม่จริงหรอเพราะว่ามันเป็นวัตถุวัตถุที่เราผลิตกันขึ้นมาเองเอาดินเอาหินมาปั้นนำมาแต่งแล้วก็ไปนั่งเป่าไปไปเปาไปเสกกันครับที่มันที่มันอาจจะแต่คนอาจจะเชื่อได้เพราะว่าบางทีเขาห้อยคอแล้วไปประสบอุบัติเหตุเขาไม่เป็นอะไรคนที่ไม่ห้อยกลับมีเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็เลยไปคิดว่าเขามีเครื่องรางของขังคุ้มครองเขาอยู่ แต่ก็ไม่ไปมาว่าบางทีคนที่ห้อยเครื่องหน้าของขังนี่ตายก็เยอะเหมือนกันนะในอุบัติเหตุครับบางทีเขาห้อยเสริมความมั่นใจทำให้เขามั่นใจอย่างนี้ก็เป็นไปได้ น, นั้นเป็นเรื่จิตวิทยามากกว่าเป็นทางด้านจิตวิทยาถ้าห้อยแล้วมีความสบายใจก็ห้อยไปเถอะแล้วความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกมันไม่เราบกุ้มความโปร่งการร่างกายเราได้หรอกครับผมคุณฟินแลนด์ครับถามว่านั่งสมาธิแล้วรับรู้ รู้ถึงความว่างจิตปัจจุบันรู้สึกแน่นแน่นฐานกายมาถูกทางไหมคะท่านถ้าแน่นแบบสบายก็ถูกนะแต่ถ้าแน่นแบบอึดอัดนี่ก็ไม่ถูกนะท้าแน่นแบบว่าใจนิ่งสงบแล้วมีความแน่นหนามั่นคงมีก็ถือว่าถูกต้อง คุณศักดินันครับกราบด้วัศการครับพระอาจารย์พ่อผมเนื้อสมองตายสมองเสื่อมไม่รับรู้เราจะชักนําจิตคุณพ่อไปทางกุศลเวลาพูดกับคุณพ่ออย่างไรครับตอนนี้บอกท่านให้ตามลมหายใจเข้าออกและเปิดเสียงธรรมให้ฟังอย่างนี้ได้ไหมครับดีแล้วลทำได้เท่านี้แหละให้ท่านดูลมหายใจเข้าออกให้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปมันเป็นการกระทําที่เป็นกุศลอยู่แล้ว คุณพาวเวอร์ชมนะครับกราดมาสการพระอาจารย์ค่ะบางครั้งหลังจากนั่งสมาธิและลงนอนแล้วเวลาหลับตายังเห็นภาพต่างๆในห้องชัดเจนเหมือนลืมตาเกิดจากอะไรคะขอพระคุณนพระอาจารย์ค่ะเกิดจากความจําของเราเนียเราจําได้เพราะเราหลับตามันก็ยังความจํามันอยู่ในใจเรา ม, มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถึงแล้วถึงแม้เราจะปิดหูปิดตาแล้วก็ตาแต่ความจําที่ใจเราจําได้มันก็ปรากฏขึ้นมาใน เนในใจของเราอันนี้ผมอ่านให้ฟังนะครับพระอาจารย์ครับจากคุณไพ่บูนะครับบอก ร, บราบพระมัสการพระอาจารย์ครับผมฝึกนั่งสมาธิก็พอสงบบ้างแต่ผมเอาชนะเรื่องความอยากครับไม่ได้คือเรื่องเล่าผมต้องทํำยังไงครับอยากเล่าครับรอาจารย์เรื่องเล่าเราก็ต้องเข้มแข็นงนนะต้องต้องกล้าหาญทุกครั้งที่จะจ ะ, จะดื่มเล่าก็ แต่ทิ้งไปทรงที่ยาดื่มเราก็เททิ้นไปถ้านั้นนะมันก็จะสามารถชนะมันได้หรือเข้มแข็งอย่าไปเยอะอย่าไปจับมันอย่าจะไปแตะต้องมันอย่าไปยิบไปยกมันขึ้นมาปล่อยมันมันอยู่ตรงไหนก็ปล่อยมันอยู่ตรงนั้นไปหรือถ้าทําใจไม่ได้ก็เดินหนีไปเลยหนีไปอยู่ที่ไม่มีเหล้าให้กินไปอยู่ว่าสักพักหนึ่งก็ได้นะครับม จากคุณนิวฟอร์มีทอาร์ครับอาจารย์บอกว่าถ้าชาตินี้เราปฏิบัติชาติหน้าเราจะจําได้ไหมคะหมายถึงเราจะปฏิบัติต่ อ, ตอจนกว่าจะบรรลุธรรมกราบสาธุค่ะสิ่งที่เราปฏิบัติมันก็จะไปกับเราสติที่เราสร้างได้เท่าไหร่มันก็จะไปกับเราสมาธิที่เราทําได้เท่าไหร่มันก็จะไปกับเราปัญญาที่เราสอนใจเราเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่สไตายนั่งมันก็จะไปกับ แต่ปัญญานี้ไม่แน่เนี่ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ฝังลึกมันก็อาจจะจางหายไปได้แต่ถ้าเป็นปัญญาแบบบรรลุธรรมแบบเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจะไม่มันไม่จางหายไปครับคุณวิชาตนะครับบอกว่ากรับรมามาตการพระอาจารย์ครับสมมุติว่าผมว่าพระว่าผมเป็นพระโสดาบันเพื่อนฝากเล่าผิดไหมครับพระอาจารย์ครับตามเล่าไม่เฉยๆให้เราเาก็บไว้เฉยๆ ไม่ yup. เข้าใจความหมายว่าฝากไว้เฉยๆหรือฝากไปให้คนอื่นต oh ่อเงนี้ครับอาจารย์ก็ไม่ผิดเราถ้าเราไม่ดื่มได้อย่างไม่ดื่มแล้วฝากไปให้คนอื่นได้ไหมครับอาจารย์เราก็ได้เราเปนเหมือนบุรุษประชานิเราไม่เราทำด้วยความเมตตาเพื่อนก็ฝากเห็นว่าเราจะไปเยี่ยมคนที่เขาฝากเล่าไปให้คนที่หน่อยได้มั้ยก็ได้ฝากไปไม่จะเสียหายตรงไหนครับผม จากคุณพัชรีครับกบาบฐานพระอาจารย์ค่ะถ้าเรานั่งสมาธิพอครบกําหนดเวลาที่นั่งก่อนจะลืมตาเราก็จะบอกกับตัวเองว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเกิดดับอย่างนี้ได้ไหมคะได้ดีพยายามพยายามสอนตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาออกจากสมาธิเท่านั้นควรจะระลึกถึงอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราเกิดความกลัวเกี่ยวกับร่างกายก็พูดทันทีเลยมันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นเพียงดินน้ําลมไฟ มันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเราห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้อันนี้ต้องคิดอยู่บ่อยๆแล้วต้องใช้ในขณะที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกี่ยวกับร่างกายแล้วมันจะบรรเทาคลายความทุกข์ใจได้อย่างฉับพลันคุณ s ินเ g a ก e s สนะครับพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีนั่งสมาธิให้สงบหน่อยครับเวลานั่งแล้วคิดวอกแวก การนั่งแล้วคิดว่างแหวกเพราะสติเราไม่มีกำลังที่จะควบคุมความคิดนี้เององั้นเราก็ลองบังคับให้มันทําอะไรกับให้มันคิดในทางที่จะทําให้จิตสงบเช่นคิดคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าหยุดบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์สวดอ e ิติปิโสไปหลายๆรอบหลายๆจบแล้วเดี๋ยวจิตก็จะหายว่างแวกจิตก็จะสงบได้ คุณนราแฟ น, นะครับบอกกล่าวนักสการพออาจารย์ค่ะกาเตีอนถามอาจารย์ว่าในยุคโควิดระบาดปัญหาเศรษฐกิจทำให้หลายๆครอบครัวมีปัญหาเกิดความขัดแย้งในครอบครัวจะมีหลักธรรมใดครับก็หลักธรรมที่จะช่วยให้ลดปัญหาได้ก็คือความมาักน้อยสันโดษคือเราต้องหัดมักน้อยเราเคยใช้มากๆตอนนี้เราก็ต้องมาประหยัดกันมารถใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัย4ี่เท่านั้น และปัจจัยสีก็ไม่ต้องรู่หร้าไม่ต้องมีราคาแพงๆให้เป็นพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ชีวิตอยู่บ้านแบวันๆอย่างได้ก็พอหรือให้มีสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิด ม, ม, มีมีเท่าไหร่ก็ให้ยินดีกับมันเราก็จะไม่มีปัญหากับใครเราก็จะเราก็จะทำใจของเราให้ให้มีความสุขได้ อันนี้เป็นการควบคุมความโลภความอยากต่างๆที่เราเคยปล่อยให้มันมีอำนาจในช่วงที่เศรษฐกิเจเจริญรุ่งเรืองเราอยากได้อะไรเรามีเงินเราก็ซื้อกันเราอยากจะไปเที่ยวไหนเราก็มีเงินเราก็ไปเที่ยวกันแต่ตอนนี้เราไม่มีเงินจะทําแบบนั้นแล้วเราก็รำกลับมาใช้ความมักน้อยสันโดษแล้วเราจะไม่มีปัญหากับใครคุณบุงส่งถามจาก ก็เมื่อกี้ครับอาจารย์ครั บ, บการนักประการคะ่ะที่ถามอาจารย์เรื่องโสดาบันโยมหมายถึงว่ามีวิธีอื่นไหมคะที่จะได้โสดาบานันวิธีอื่นนอกจากการะละสังโยสมาครับอาจารย์ครับจะเพอยืดเป็นขันท่าไม่มีหรอกเหมือนตำละสังโยนทั้งสามข้อนี้มันยังเป็นพระโส ด, ดาบันได้เหมือนจะเรียนจบแพทย์นี่เขาก็มีวิชาที่จะต้องเรียนใช่ไหมจะไปเรียนวิชาอื่นแล้วบอกว่าจบแพทย์มันก็ไม่ได้หรอกครับผม อันนี้คำถามคล้ายกันนะครับทำปฏิบัติใดที่จะทำให้ถึงประสูตาบันคระท่านก็สินสมาธิปัญญาเนี่ยฝึกษีรักษาสินให้บริสุทธิ์นั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วออกจากสมาธิก็ให้ใช้ปัญญาละสัญญาทั้งสามด้วยการใช้ใจลกเป็นเครื่องมือให้พิจารณาว่าร่างกายขันธ์ห้าที้เป็นอนิจจไม่เทียมเป็นทุกข์ แล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนก็จะละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้มาละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้ก็จะหายสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงสังว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะเห็นกฎแห่งกรรมปรากฏขึ้นมาในใจว่าถ้าทำบาปแล้วก็จะต้องไปเกิดในอบายก็จะไม่ลูกคำไม่สงสัยในความสำคัญของการรักษาศีลต่อไปพระโสดาบาลนี้จะรักษาศีลไปตลอดชีวิตไม่มีการ ไม่มีการขาดชิ้นอย่างเด็นขาดคุณรัญญานามวงศ์ครับกล่าวนามสัส ก, การเรียนถามอาจารย์ค่ะเราจะฝึกตนอย่างไรได้บ้างเพื่อนำไปใช้ในการเตรียมตัวตายอย่างสงบกราบสาธุค่ะเข า, ขาเราฝึกสมาธิทำใจให้สงบทาใจให้เย็นแล้วก็มันสอนใจโดยเรื่อว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นรรมาจากดินน้นุมไฟที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน วันนึงมันก็จะต้องเข้าสู่ความตายให้สอนใจอย่างนี้ก็จะได้ปล่อยวางแล้วก็ทําใจให้สงบเวลาร่างกายเป็นอะไรก็พยายามให้ใจสงบให้อยู่ให้พุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้าออไปในสมาธิแล้วร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่ทําให้ใจเดือดร้อนคุณเอสเอ็ help. ช้อปคอมนะครับสมัยบวชให้พ่อหนึ่งพันสามีโยมมาถามว่าเขาแปลงฟันแล้วรู้สึกถึงว่าขนแปลงเส้นไหนกระทบฟันโยมถามว่าเขาเกิดภาวะอะไรผมก็ตอบไม่ถูกแค่บวชตามประเพณีอยากถามว่าโยมคนนั้นเกิดภาวะอะไรครับแปลงฟันรู้สึกว่าขนแปลงฟันมันกระทบกับฟันมันก็ต้องกระทบอยู่แล้วเนี่ยใครแปลงฟันแล้วขนแปลงว่าป็นกระทบบ้างก็งไม่มีอะไรเป็นภาวะอะไรเป็นภาวะว่ามีสติมั้ง รู้ว่าตอนนี้กำลังแปลงฟันอยู่ไม่ได้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้มันมาอยู่มาเข้าดูการแปลงฟันมันก็จะเห็นว่าเอาฟันอแปลงลงมากระทบกับฟันก็กน<笑><笑>มีเท่านั้นเลยก็สแสดงว่ามีสติ ก, ก็แล้วกันครับเพื่นครับ ค, บคุณทวัตสงนะครับขอถามว่าถ้าเราปฏิบัติจนได้โสดาบันแ ล, แล้วเราไม่ต้องไปเกิดแล้วใช่ไหมครับยังยังเรายังต้องกลับมาเกิดอีก อย่างว่าเรายัางไม่ได้ละเหตุที่เดึงให้เรากลับมาเกิดในในในการมาพบก็คือการมาลงนี่เราต้องละการมาลงให้ได้เป็นพระอนาคามีแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกของการมาพบอีกต่อไปคือพบของมนุษย์หรือเทวดาหรือสัตว์ในราชาแต่เรายังไปติดอยู่รูปภพกับอรูปภพถ้าเราไม่ไปถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในรูปภพอรูปภพเราก็ต้องระสามโยนอีกห้าข้อ เช่นละนะสังยุตเบื้องบนอีกห้าข้อหมดทีนี้ก็จะไม่กลับมาเกินในตายเพราะเป็นต่อไปคุณสักดินันครับกราบธรรมศาสการพระอาจารย์มีเพื่อนจะไปฉีดวัคซีนมีความกลัวผลแทรกซ้อนจะแนะนำยังไงดีครับโดยอจะกำหนดจิตยังไงครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรมแล้วกัน ว่าคนเรานี่บางทีมันเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเช่นบางทีเราออกไปนอกบ้านนี้เราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาบ้านหรือเปล่าหรือจะกลับมาในสภาพไหนเราก็ไม่รู้ใหรคิดเหล่านี้ก็แล้วกันว่าอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนมาญาของเราก็คือเราไปได้ยินข่าวเรื่องมัลซีนมากจนเกินไปเลยทําให้เราเกิดความหวาดวิตก ข, ขึ้นมาแต่ความจริงถ้าเราได้ยินข่าวว่าพ เราออกไปข้างนอกบ้านเรานี้เราอาจะไม่มีโอกาสได้กลับมาในบ้านมันในในเหมือนกับเวลาที่เราออกไปก็ได้นะถ้าเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ม่อาจจะไม่กล้าออกไปนอกบ้านเลยแลนี้เราไม่รู้ว่าเราเลยกล้าออกไปนอกบ้านกันแต่ความจริงเราก็ไม่รู้แรละว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่เราออกไปข้างนอกบ้านอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนรถบ้างหรือถูกรถชนตายหรือมีอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรนานา ประการต่างๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นฉนั้นขอให้เราคิดว่าอนาคมตมันไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปอย่าไปวิ่งตอกคำไว้าากับมันให้ตรงสตเถิว่าอะไรจะเกิดข้าใหมันเกิดเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันพยายามให้มีความมีสติให้มีความระมัดระวังแล้วส่วนถ้าเป็นเรื่องของเหตุเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ต้องปล่อยให้มันเปิดไปตามเรื่องของมัน คุณนะ ว, วันครับกับเรียนพระอาจารย์ค่ะถ้าเราบวชทีแบบโกนผมกับบวชทีพราหม์ต่างกันอย่างไรคะก็ต่างกันตรงที่มีผมหรือไม่มีผมเลยก็แสดงว่าการโกนผมของเราเนี่ก็เป็นการละละกิเลสได้มากขึ้นเพราะกิเลส ข, ของเราก็คือความรักสวยรักงามของร่างกายนี่เราพอเราโกนผมมันก็แสดงว่าเราเราชนะกิเลสตัวนี้ได้ชนะความกิเลสที่รักสวยรักงามของร่างกายได้ คุณนัญญาครับถามว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเราจะทําอย่างไรให้เรามีนิพพานในชีวิตประจําวันอย่างต่อนเนื่องเจ้าคะ่ะก็ไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงเนะอย่างโลภอย่าโกรธอย่าหลงก็จะมีนิพพานขึ้นมาอันนี้ผมอ่านนะครับอาจารย์ครับคุณอนาปาครับกราบนักสการครับการออกสมาธิควรออกทันทีหรือควรตั้งจิตเสียก่อนออกไหมครับ ก็เวลานั่งสมาธิเราก็ตั้งจิตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เพียงแต่ทำทาความเข้าใจว่าต่อไปนี้เราก็จ ะ, ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นเดินลุกทำอะไรก็ให้มีสติต่อไปเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิไม่มีอะไรตัดไปคุณปุญญะโชติกาครับกราบน้ัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สอนสมาธิโกรธง่ายมากเราเป็นสิษ์ควรทำอย่างไรบ้างคะ ก็โปร่งมาเหมือนเรื่องของท่านอ่ะท่านจะโกยก็เป็นเรื่องของท่านแสดงว่าท่านไม่มีสมาธิพอหรือไม่มีปัญญาหรือไม่มีสติที่จะคอยควบคุ ม, มอารมณ์ของท่านได้ก็แสดงว่าท่านอาจจะสอนคนอื่นได้แต่สอนตนเองไม่ได้เหมือนแม่ปูสอนลูกปู่นะแมปูสอนให้ลูกเดิน ต, งตรงๆแต่ตัวแม่ก็เดินเฉไปเฉมาก็เท่านั้นแะ่ะครับผม คุณกิตระวีประเสริฐจักสันนะครับถามว่านั่งสมาธิเดินปัญญาพิจารณาธรรมถูกต้องไหมคะไม่ถูกเราไม่นั่งสมาธิไม่ให้เดินปัญญาแต่นั่งสมาธิให้จิตนิ่งไป น, นานๆจะเดินปัญญาต้องลอยออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาเดินปัญญาด้วยการพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรับเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ำลมไฟคุณ คุฟินแลนด์ครับอาจารย์ครับบอกว่าทําบุญกับแมวจะได้อนันใสองสิ่งใดครับท่านรักแมวก็ก็ทําบุญก็จะได้ความสุขใจในเบื้องต้ น, นไม่ว่าจะทํากับใครก็ตามทํากับแมวทํากับพระทํากับพ่อทํากับแม่ทํากับใครมันก็ทำให้เราเกิดมีความมีความสุขใจขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เราได้แล้วความสุขใจนี้ถ้าเราสะสมได้มากๆเวลาตายไปมันก็จะพาเราไปอยู่ในสวรรค์ให้เป็นเทวดาวต่อไป คุณบีเบ้นะครับบอกว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะทําอย่างไรให้มีสติอยู่กับตัวบ่อยคะบางทีหนูมีวอกแวกค่ะก็มัน พ, พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพยายามเฝ้าพุทโธพุทโธไปหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราอย่าปล่อยให้คิดด้วยเปลื่อยคุณจักศรีภัยนะครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยมีเรื่องปาฏิหาริย์จากการปฏิบัติธรรมไหมครับ คำภาจารย์เองนะครับอ๋อมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะมาพูดนะมันก็พูดไปแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการโอ้อวดเพราะเราไม่สามารถไม่มีใครมาสามารถยืนยันในสิ่งที่เรารู้เราเห็นได้เลยไม่อยากจะพูดพูดไปคนที่เขาไม่ชอบที่หน้าเราเขาหาว่าเราโอ้อวดดีไม่ดีอาจจะไปฟ้องร้องว่าเราเป็นตาราชชิก็ได้นะเป็นอุจตริกขึ้นมาแล้วยกไปแบบนั้าแต่ปฏิหารในการปฏิบัติธรรมนี้รับประกรันว่ามี ผู้ใดปฏิบัติธรรมเพื่ได้มเมนโลตายเห็นธรรมอันนี้แหละเป็นติหอย่างอันยิ่งใหญ่อันสุดยอดก็คือการมีดวงตาเห็นธรรมนั้นขอให้ปฏิบัติไปเถอะแล้วมันจะเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติจะเห็นด้วยตนเองแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่สามารถที่จะมาอูดมาบอกใครได้เพราะพูดไปเขาก็ไม่รู้ว่าเราลึกว่าเป็นยังไงถ้าเกิดเขาไม่เชื่อเขาจะหาว่าเราบ้าก้นมาได้ ในเรื่องเหล่านี้ต้องขอสมุ์ไว้ไม่กล้าพูดกับใครพูดแต่วิธีการปฏิบัติเท่านั้นครับอาจารย์ครับคุณเชอรี่ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์การหลับไปพร้อมกับพุโทโธในขณะที่หลับอยู่ถือว่ายังอยู่ในการภาวนาพุโทโธหรือไม่ครับไม่หรอกถ้าหลับก็แสดงว่าหมดสตินะคุณหิมมารายาครับกราบเรียนอาจารย์ถ้าไม่ใช้พุโทโธนั่งนิ่งๆได้ไหมคร ถ้านั่งนิ่งๆไม่คิดอะไรก็ได้แต่ถ้าคิดก็ต้องมีอะไรยึดใจไว้อยา่าไม่อย่าปล่อยให้ไปคิดถ้าไม่พุดโธก็ต้องดูลมหายใจเข้าออกอย่างได้อย่างหนึ่งหรือวิธีอื่นก็ได้บางคนก็อาจจะนึกภาพของพระพุทธรูป ก, ก็ได้จะให้อยู่กับภาพพระพุทธรูปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแทนก็ได้นคุณจำจานะครับบอกอยากทราบว่าถ้าเราใส่บาต พระอุทิศบุญกุศลให้คนรักที่จากไปถ้าเกิดเขายังไม่ได้ไปเกิดหรือเขายังเป็นวิญญาณที่ล่องลอยอยู่เขาจะได้รับไหมครับถ้าเขามารอรับเขาก็ได้รับคือดวงวิญญาณนี้มีหลายชนิดเลยมีชนิดเดียวที่จะมารอรับตอนแ ร, รกว่าเปรตวิญญาณชนิดอื่นนี้เขาไม่มารับเนี่ยเพราะเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะมารับได้นอกจากเปรต แลวเทวดาก็ไม่ไม่ได้บุญจากเราเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เพราะาบุญเขามีเยอะกว่าเรา่าบุญที่เราสองไปมันน้อยครับผมบุญพวกเทวดานี่เขาสะสมบุญไม่เยอะก็ เ, เป็นเสถียีบุญส่วนเปรตที่เป็นขอท า, านบุญบเปรตที่ไม่มีบุญไปเลยพวกพวกเปรตก็คือพวกที่ไม่ทําบุญนะทาแต่บาปเลยจะว่าทำทำด้วยความโลภเนี่ยก็จะกลายเป็นเปรตไป คุณสัติมิมนครับอกที่บ้านเราปล่อยปลาเจ้าค่ะแต่มีเพื่อนทวงติงว่าเป็นการไปยุ่งกับกรรมของสัตว์ไม่ควรทําเพราะปลาอาจถึงคาดแล้วจะไปเกิดเป็นคนอยู่แล้วแต่เราไปยุ่งทําให้เขาไม่ได้ไปเกิดการคิดแบบนี้ไม่ถูกใช่ไหมเจ้าคะก็ถามปลาเลยว่าปลาเขาอยากจะให้ปล่อยหรือไม่ปล่อยเราไปคิดแทนปลาได้ยังไงถ้าเราเป็นปลาเราจะเอาอยัางไงถ้าเราตอนนี้เราติดคโควิดเขาเข้ามาช่วยเราให้ออกจากคุกิดอยากให้ว่าเราไปไปไ ป, ไปขวาง การไปเกิดของคุณหรือเปล่าถ้าเกิดคุณถูกลงโทษให้ประหารชีวิตแล้วเขามาอภัยจะโทษให้คุณนี่คุณจะเอาไหมเวลาคุณไม่เป็นคุณก็พูดได้แต่ะแต่เว า, าเป็นกับตัวคุณเองคุณจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าคุณแม่เล็กนนท์ครับน้องกราบสาธุเวลานั่งแล้วจิตเรามีความรู้สึกว่ารอบๆตัวเรามันว่างเปล่าเงียบสงบมากแต่เสียงรอบข้างก็รู้ การเต้นของหัวใจรู้แต่สิ่งอื่นที่อยู่รอบๆตัวเรามีเสียงก็รับรู้แต่มองเห็นหัวใจตัวเองเต้นเป็นแสงสว่างเล็กๆคืออะไรเจ้าคะก็ใจเราสงบใจเราจะรู้เฉยๆจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้ก็เป็นความสงบในระดับหนึ่งยังไม่สงบเต็มร้อยถ้าสงบเต็มร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปหมดเลยเหลือแต่ความว่างกับผู้รู้เพียงอย่างเดียวคุณน้ำหนึ่ง ไพรวนนครับกล่าวนำมรสการพระอาจารย์ครั บ, ร บ, มรรรบผมนั่งภาวนาพุโทโธพักใหญ่ๆรู้สึกลมหายใจละเอียดขึ้นรู้สึกเหมือนหายใจเบามากจนบางครั้งเหมือนไม่ได้หายใจผมจึงหันมากําหนดดูลมหายใจเข้าออกสักพักจะรู้สึกเป็นอาการว่างๆโล่งเหมือนตัวเบามาถึงตรงนี้ผมมาถูกทางไหมครับและควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรก็ดูต่อไปถ้าดูลมไม่ได้ก็ดูความว่างไปอย่าปล่อให้ใจคิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดครับผม อาจารย์ครับปุณสลิตาบัวสินปถามบอกว่าเห็นความทุกข์แล้วกําหนดรู้ตามความเป็นจริงบางครั้งก็แทบจะไม่อยากคิดปรุงแต่งอะไรเลยแบบนี้ผิดไหมคะถ้าหยุดความคิดปรุงแต่งหยความทุกข์ได้ก็ไม่ผิดคุณเอเจพบอกว่ามีพระอริยสงฆ์ท่านมาปรากฏในความฝันท่านนำบาทมาให้ถือเป็นภาพชัดเจนมากมีนัยยะทางธรรมอย่างไรไหมครับก็อาจจะชวนให้เราไปบวชนะั่ง อาจารย์ครับให้ไต่สักสามสี่ข้อนะครับผมเชิญเชตามสบายคุณสุชา ว, วาดีทองอยู่บอกว่าการที่แฟนทิ้งลูกทิ้งเมียไปหาคนใหม่ก็คงจะเป็นเมนกรำเก่าเราใช่ไหมคะเรา จ, จะเคยทิ้งลูกทิ้งเมียมาแน่ดีก็ได้ชาดีไรเราถูกเขาทิ้งเเขา้าอะไรตึมถักทิ้งเราบ้างครับคุณแคที่ปอบอกว่านั่งสมาธิที่ว่าสงบคือไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยหรือคะ ชอบคิดเรื่องเกี่ยวกับธรรมต้องวกกลับมาที่คำบริกรรมเหมือนเดิมไหมคะใช่การับมาที่ทำบริกรรมอย่าไปคิดอะไรเราต้องการทำจิตท้การทำจิตใหใ้ให้จิตสง บ, บให้จิตมีความสบบุขอีกข้อหนึ่งนะครับอาจารย์ครับสาธุกับคุณหมอครับกับนักวการพระอาจารย์ครับก่อนนอนผมกำหนดตามลมหายใจจนหลับไปแต่ยังฝันนู่นฝันนี่ครับแสดงว่าจิตไม่สงบใช่ไหมครับ มีวิธีกําหนดแบบไหนไหมครับจะได้นอนหลับสนิทไม่ฟุ้งครับวเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราไปควบคุมมันครับจิตใจไม่ได้แล้วถ้าธรรมชาติของเราจิตของเราไม่สงบเวลานอนหลับมันก็จะชอบฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราอยากจะให้มันไม่ฝันหรือฝันน้อยเราต้องฝึกสมาธิให้มากๆนั่งสมาธิให้จิตแท้จริงบ่อยๆแล้วต่อไปเวลานอนหลับมันจะไม่ไม่ฝันเมื่อนานๆอาจจะฝันทีฝันน้อยลงไป คุณตมุตมิสอ0 0ัครับทําไมบางคนที่ปฏิบัติธรรมแต่เห็นเขาใจร้ายเสียงดังควบคุมอารมณ์ไม่ได้คะเพราะก็ยังปฏิบัติไม่ถึงธรรมนั่นเองปฏิบัติมีแต่กิริยามีแต่การมีการเคลื่อนไหวทางเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ใจยังฟุ้งซ่านใจยังไม่เข้าถึงธรรมก็เลยยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ คุณรัญญาครับกราบเรียนถามค่ะว่าปัจจุบันมีเฟกนิวส์และการกล่าวหาว่าร้ายกันมากขึ้นกว่าในอดีตแสดงว่าคนทำผิดศีลห้าเพิ่มมากขึ้นจะเกิดผลกรรมอย่างไรบ้างคะกราบสาธุ ค, ค่ะคนทำผิดศีลก็ต้องมาตายไปก็ไปเกิดในอบายอบายมันอยู่สที่ในระชันเปรดอสุรกายากันนรลกคุณ darkness ch นะครับ กราบธรรมสการพระอาจารย์ความเชื่อเรื่องโหงเฮงการดูลายมือดูดวงต่างๆมันจริงไหมคะัอันเดีการศาสนาพูดก็ไม่ได้สอนไม่ได้พูดถึงสอนให้เราเชื่อกรรมอย่างเดียวเชื่อกดแห่งกรำทำดีได้ดีทำเชื่อได้ชื่อคุณทําใจบอกว่าผมเข้าใจว่าการทําสมาธิคือการฝึกจิตให้นิ่งๆการเจริญสติคือการสร้างปัญญาถูกไหมครับ ไม่ถูกหรอการจารสติก็คือการทรําจิตให้นิ่งให้อยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะได้เข้าสมาธิได้หรือถ้าถ้าจะมคิดทางปัญญาก็สามารถทำให้คิดไปในทางปัญญาได้ถ้าไม่ถ้ามีสติถ้าไม่มีสติสจิตมันก็จะคิดไปตามเรื่องตามราวของมันได้คิดปัญญามันก็ไม่คิดได้เพราะไม่มีสติบังคับนในการการมีสติคือการควบคุมจิตควบคุมความคิดนั่นเอง ควบความคิดให้อยู่นิ่งๆก็เป็นสมาธิควบคุมให้คิดไปทางปัญญาก็เป็นการเจริญปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาคุณซัมซุงซัมซุงบอกว่ากราบเรียนถามเจ้าค่าเวลานั่งสมาธิเสร็จต้องแผ่เมตตาด้วยไหมคะแล้วแต่เราการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ตอนที่เรานั่งสมาธิเราต้องแผ่เวลาที่เราพบกันเช่นเวลาเจอใครก็ยิ้มให้เขาทักทาย เรืมีของมาฝากมาให้เขาไปในเวลาเขาทาให้เราโกรธก็ให้อภัยเขาอย่าไปถือโทษกดเคลื่อนอันนั้นแหละคือการแทนเมตตาที่แท้จริงแต่เวลาที่เรานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนเสร็จนอกแผนนี้เป็นการสวดเป็นการสอนเป็นการเตือนใจให้เราว่าเราต้องเป็นคนที่มีความเมตตานะเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ไปพบปากกับคนนี่เราต้องใช้ความเมตตาไม่ใช่ไปโกรธเขาไปเกลียดเขาอันนี้เราถึง เป็นการสอนใจเวลาที่เราสวดบทแผ่เมตตาแต่เวลาแผจริงๆที่ต้องเวลาเจอกันอีกอสองข้อหมดแล้วนะครับอาจารย์วั น, นี้เคลียร์ได้หมดเลยครับอาจารย์ครับจ้ะกล่าวในวัชการพระอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรจะไม่ให้ทุกเรื่องสามีเจ้าชู้ครับก็ต้องทําใจแล้วว่าเขาเราไปควบคุมบงคังเขาไม่ได้นะใจเขาตัวใจเขาเองเขายังควบคุมใจเขาไม่ได้ ก็ต้องทำใจถ้าเราอยู่กับคนเจ้าชู้ว่าคิดเสว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ไม่ไม่อยากจะเจอเขาก็อย่าไปอยู่กับเขาแต่เราห้ามเขาไม่ได้เราต้องห้ามใจเราเราต้องทำใจเราเท่านั้นเราถึงจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปอยากจะให้เขาไม่เจ้าชู้นี่เราก็จะทุกข์ไปไ เ, เรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ได้ทำตามที่เราอยากได้นั่นเอง คุณขมล น, นะครับบอกคุณแม่เสียไป6ปีแล้วปัจจุบันนี้ทุกครั้งที่ทําบุญใจยังคิดตลอดว่าหากดวงวิญญาณของท่านอยู่ในที่ทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากอยู่ในที่สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นช่วยส่งบุญให้ท่านได้ไหมคะหรือว่าควรจะระลึกว่าอย่างไรคะคือความจริงเราก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ในสภาพไหนแล้วท่านเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตหรือเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ท่านไปนเกิดใหม่แล้วหรือไม่เราก็ไม่รู้ งั้สิ่งที่เราทําได้ก็เพียงแต่ส่งบุญไปให้ท่านท่านเองส่วนท่านจะรับได้หรือไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็ทําได้เท่านี้ครับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปพ ร, พระอาจารย์นิดนึงแล้วก็สรุปให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้มีคนที่เข้ามาร่วมฟังกันเยอะเลยครับรอาจารย์มี f เฟซบุ๊กของพระอาจารย์หกร้อยหกสิบเก้าท่านนะครับ youtube ของพระอาจารย์สุชาติไลฟ์ร้อยสาสบห้า y o u t u ด e อกเอร์415นะครับนะกขับเาส13คนตอนนี้ร่วมฟังธรรมพร้อมกันอยู่ 1,232 คนนะครับพรนะอาจารย์ครับยินดียินดีที่มีคนให้ความสนใจในธรรมะการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงเพราะรถแท่งธรรมชนะรถทั้งปวงวนั่นเองดังนขอให้ท่านทั้งหลายจะให้มีความยินดีในธรรมไปเรื่อยๆแลาจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวง คือการหลุดพ้นจากจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองคือรดแห่งธรรมก็<ช>ขออภัยด้วยนะว่า น, นี้เรื่องปัญหาของกล้องของเสียงของอะไรมันไม่รู้เป็นยังไงมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเพราะว่า <c oughs> เราต้องทําใจนะอาจารย์ก็มีท่านอีมีอะไรไหมอ๋อจะบอกอาจารย์ับเรียนพระอาจารย์ว่าถ้าโอกาสต่อ ต, อตอไปอย่างนี้ยเครจะอาจจะเป็นวันอาทิตย์ถ้าพระอาจารย์สะดวกเนี้ยครับ ก็จะขอโอกาสนิมนต์พระอาจารย์เรื่อยๆพระอาจารย์เหนื่อยไปไหมครับได้ก็ทําไปถ้ามีเหตุที่ทําไม่ได้ก็จะขอแจ้งไว้โรงงานก่อนครับถ้าไม่มีเหตุก็ถือว่าพบกันทุกเกินวันอาทิตย์ก็แล้วกันถึงกับจะเบื่อเลยใครไปได้ฝ่ายหนึ่งเบื่อแล้วก็ก็หยุดกันไปถ้ายังไม่เบื่อก็พบกันในวันอาทิตย์สัมทุนก็แล้วกันครับไปสุดท้ายนี้ก็ขอขออวยพรให้น้นทั้งหลาย ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิดสาธุกลับขอบพระคุณพระจารย์นะครับลก่อนเลวนะครับนั ก, กนาการครับผม